พวกเราได้ทํากิจกรรมเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาในวันวิสาขาบูชาอย่างเต็มที่สมบูรณ์บริบูรณ์ในกิจกรรมที่พวกเราจะต้องกระทําต่อ น, นี้ไปก็เป็นหน้าที่ของพวกเราอีกเช่นเดียวกันพวกเราจะทํำยังไงจะปฏิบัติตนอย่างไร ในเมื่อวันสําคัญอย่างนี้วันสําคัญอย่างนี้แต่ก่อนก็ถือระดับหนึ่งต่อมาทางโลกของเขาเขาก็สมมุติกันขึ้นมาแต่ทิ้งยังไงวันสําคัญทั้งสมการนี้ก็เป็นวันสําคัญยิ่งแต่พอพึ่งสมมุติขึ้นมาเมื่อสองสาปีที่ผ่านมาทางสมาคมโลกของเขาหรือว่ายเอน เขาก็ยกว่าเขากยกวันนี้เป็นวันสันติภาพของโลกพรพุทธาศาสนาสอนให้คนอยู่ร่วมกันด้วยสันติไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้มีเมตตาต่อกันในเพื่อนมนุษยชาติผู้ที่เหนือกว่ามองผู้ต่ำกว่าผู้ต่ำกว่าก็พยายามทำตนให้ดีขึ้น คล้ายๆกว่ารัษนาพี่ได้สองน้องได้หนึ่งอาศัยซึ่งกันและกันไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้รู้จักคุณค่าซึ่งกันและกันเหมือนกับนิ้วมือของเราห้านิ้วแต่ละนิ้วก็มีประโยชน์เพื่อกุหนุนกันเพื่อนมนุษยชาติก็รักษณะอย่างนั้นตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าท่านมองโลกมีความโง่มีความฉลาด มีคนดีมีคนชั่วมีคละเคล้ากันคลนปนเปกันว่ามนุษย์ชาติแต่ถ้าว่าทุกคนมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมจะให้เสมอกันก็คงเป็นไปได้ยากแต่ก็พยายามโน้มน้าวทางจิตใจให้รู้จักมาทางศีลธรรมจริยธรรมถ้าทุกคน มีศีลธรรมมีศีลจริยธรรมคือความประพฤติสรุปแล้วก็คือมีวิชาพร้อมจรณะวิชาคือความรู้จารณะคือความประพฤติดีปฏิบัติชอบถ้าทุกคนมีทั้งสองอย่างบริบูรณ์โล ก, กอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าขาดจริยะ ทำเสียมากกว่ามีแต่การสั่งสมความรู้เข้าสู่จิตใจแต่จริยธรรมรู้สึกจะห่างเหินลงไปเพราะนั้นทางสันติภาพโลกเขาเขาก็เลยเกือกูลหนุนขึ้นมาอยากจะให้โลกทั้งโลกมีสันติภาพคือสันติคือความสงบต่อเพื่อนมนุษยชาติก็เข้าหลัก ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตัดสรุธธรรมพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเกิดขึ้นในโลกเป็นวัดศิีทธธัตตะเป็นเจ้าชายศิีทธธัตตะตั้งชื่อว่าศิีทธธัตตะต่อมาเมื่ออายุ29ปีพระองค์ก็เสด็จออกไปบวชอยู่ในป่าเป็นเวลาถึงหปีบำเพ็ญอยู่ในป่าแต่ก่อน พ, พุทธเจ้าของเราท่านก็ไม่ได้ คิดว่าเรื่องต่างๆเป็นยังไงแต่เมื่อพระพุทธองค์ไปบปําเพ็ญในป่าถึงหกปีพระพุทธองค์จึงรู้บรรลุธรรมหรือว่ารู้แจ้งธรรมหรือว่าพบหลักธรรมหรือว่าพบสวากขาธรรมของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่ท่านตรัสเอาไว้ปฏิบัติกันมาเป็นแนวแถวของพุทธะในเมื่อพระพุทธองค์ได้ บาเพ็ญที่หปีสรุปแล้วก็คืออายุ 3-15 พระพุทธองค์ได้ตัดสรุธรรมจากนั้นก็ได้นำพระธรรมมาเผยแผ่มาสั่งสอนพวกเราเป็นเวลาถึง2 6กว่าปีถึง45ปีพระทตองค์ก็ถึงการเวลาปรินิพานพระพุทธองค์อายุ80ปีปรินิพาน วันเดือนหเพนวันนี้แหละก็เป็นอันว่าประสูตรก็เดือนหกเพนตัดสรู้ ร, รมก็เดือนหกเพนปรินิพานก็เดือนหกเพนคือทั้งสมการมาจบครบกันเมื่อ 2,548 ปีให้หลังวันที่พระพุทธองค์ปรินิพาน คือวันวิสาขาบูชาวันนี้แหละเพราะนั้นพวกเราชาวพุทธทั้งหลายจึงนับเนื่องว่าเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งจึงได้ยกเชิดชูบูชาขึ้นมาก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพานปิดพระโอษฐ์ไม่พูดไม่ตรัดอะไรอีกพระองค์ยังแสดงถึงความเมตตาอะไรที่จะสั่งสอน มนุชชาตได้สั่งวาจาเป็นครั้งสุดท้ายว่าขยาวยธรรมมาสร้างฆาราอัปปมาเดนะสัมปาเดทาติขอท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอันนี้เป็นอมะตะวาจาคือเป็นวาจาอันไม่ตายของพระพุทธเจา้าถ้าใครยกขึ้นมาสาธกขึ้นมาเอามาพูดเอานำมา พูดกล่าวอีกก็เป็นวาจาที่ว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นวาจาที่ว่าทันสมัยอยู่ตลอดการถ้าว่าบุคคลใดก็ตามตั้งอยู่ในความประมาทแล้วผู้นั้นเป็นคผลทางแห่งความจิบหายแต่ถ้าว่าผู้ใดตั้งอยู่ในความไม่ประมาทผู้นั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยังประโยชน์ตนคือตอนกอยาได้ทำในสิ่งที่มันไม่ดีไม่เหมาะไม่สมไม่ควร คือเตรียมพร้อมตัวเองก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องเมื่อตัวเองไม่ขาดตกบกพร่องก็พยายามทําคนอื่นให้สมบูรณ์เหมือนกับตนเองตองเองต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างเราต้องการอย่างที่เราปรารถนาอันนี้ก็เป็นปัจฉิมโอวาทของพระพุทธทเจ้าท่านแสดงถึงศาสดาบรมครู จนเป็นวาระสุดท้ายเป็นปัจชิมโอวาดครั้งสุดท้ายนี่แหละอันนี้คือพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราเคารพกราบไหว้สักการะ บ, บูชาเพราะฉะนั้นพวกเรามาถึงวันนี้พวกเราจะทํำยังไงจะบูชาพระพุทธเจ้าอย่างไรจึงจะเหมาะสมและสมควร หลวงพ่อคิดว่าเห็นว่าพวกเราท่านทั้งหลายควรจะปฏิบัติบูชาอามิตรบูชาพวกเราก็ได้ทำแล้วสักครู่นี้คือดอกไม้ทูบเทียนกราบไหว้เป็นอามิตรบูชาแล้วยังเป็นรองถ้าหากว่าพวกเราปฏิบัติบูชาได้อั น, นั้นเป็นการบูชาอันยอดเยี่ยมในครั้งพระพุทธเจ้า เมื่อพระพุทธองค์พระประสวรหนนะักพระสงฆ์บางรูปท่านได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจะวรินิพานในวันเดือนหกเพนพระสงฆ์ท่านไปเล่งความภาคเพียรไม่ได้มาเกี่ยวข้องท่านไปอยู่พยายามเล่งความภาคความเพียรอย่างเต็มที่ไม่ได้มาใกล้ไม่ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้า พระสงฆ์ทั้งหลายเห็นว่าพระองค์นั้นน่ะหนีห่างออกจากหมู่เพื่อนไม่ได้มากราบพระพุทธเจา้าทั้งที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานทั้งที่จะมามะลุมมะตุมเพื่อจะดูแลอย่างใกล้ชิดพระองค์นั้นไม่มาท่านปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขันดูชําระกายวาจาใจของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งชําระใจของท่านเร่งเรื่องสมาธิ ปัญญาเข้าสู่จิตใจพยายามปล่อยวางเพื่อจะให้ได้สําเร็จพระอรหันต์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานคือท่านปฏิบัติเพื่อจะชําระใจให้สําเร็จก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานเพราะรู้แล้วอีกไม่นานอีกสามเดือนข้างหน้าพระพุทธเจ้าจะปรินิพานคือวันเดือนหกเพนต์แต่นี้พระสงฆ์เห็นว่าพระองค์นั้นไม่เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ได้มาแสดงความจงรักภักดีห่างออกไปมีแต่ปฏิบัติภาวนาส่วนตัวไม่มีใครรู้ว่าท่านทำอะไรพระสงฆ์ก็เลยโพลธนาติเตียนว่าก็รู้อยู่แล้วพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานทำไมพระองค์นั้นไม่เข้ามามีบทบาทหรือมีเข้ามาเกี่ยวข้องช่วยเหลือกับหมู่คณะห่วงหาอะไรต่อพระพุทธเจ้า ทำไมจึงอยู่ตามลําพังพระพุทธองค์ได้ยินอย่างนั้นก็เรียกพระองค์นั้นเข้ามาพระองค์นั้นก็เดินเข้าเข้ามากราบร พ, าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ถามว่าทําไมเธอรู้ว่าตถาคตจะปรินิพานแต่ทําไมเธอจึงไม่ขนขวายเข้ามาช่วยหมู่พวกเพื่อนพระองค์นั้นก็กราบทูลขึ้นมาว่า ข้าพระพุทธองค์ทราบว่าพระพุทธองค์จะปรินิพานข้าพระพุทธองค์ออกไปทําความภาคเพียรเพื่อชําระใจของข้าพระองค์ให้หลุดพ้นจากกิเลสก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพานพระพุทธองค์อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุเธอคิดถูกแล้วการกระทําอย่างตัวของท่านทำนลย อันนี้เรียกว่าปฏิบัติบูบชาการปฏิบัติบูชานี่เลิศประเสริฐยิ่งกว่าอามิชบูชาอามิชบูชานั้นที่จะบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนเสื่องสักการะใดก็ตามสู้ปฏิบัติบูบชาไม่ได้เธอทําถูกแล้วถูกต้องแล้วเราอนุโมทนาสาธุนี่ก็เป็นนั้นว่า ถ้าเราสรุปลงได้ง่ายๆก็คือว่าพระพุทธองค์เน้นหนักเรื่องปฏิบัติบูบชามากกว่าอามิชบูชาเพราะนั้นวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาพวกเราท่านทั้งหลายที่มาอยู่ที่วัดของหลวงพ่อแห่งนี้หลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานเป็นปฏิบัติบูบบชา เว้นเสียแต่ผู้ที่จะเดินทางไกลขับรถขับราอันนั้นก็พักผ่อนนอนพักตามอัธยาศัยแต่ผู้ไม่ได้เกี่ยวข้องที่จะเดินทางหรือว่าขับรถขับราหลวงพ่อว่า น, น่าจะตั้งจิตอธิษฐานไม่นอนในคืนนี้ว่า ง, งั้นนเพื่อเป็ดปฏิบัติบูชาต่อพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจะพยายามทําจิตให้สงบ ข้าพเจ้าจะไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกข้าพเจ้าจะให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นข้าพเจ้าจะเอาอาริยาบทสาคือยืนเดินนั่งข้าพเจ้าจะไม่นอนในคืนนี้อันนี้คือปฏิบัติบูบชาหลวงพ่อว่าจะเป็นผลดีสำหรับพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระ พวกเราที่เป็นพระที่เป็นแนวหน้าที่เป็นผู้นำต่อไปภายภาคหน้าควรจะเข้มงวดขวดขันกับตนเองในการประพฤติปฏิบัติว่าการอดนอนนั้นเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าพวกท่านทั้งหลายก็คงจะทดลองมาแล้วอย่างผมผมเคยมาแล้วทั้งอดนอนทั้งผ่อนอาหารทั้งอดอาหาร ได้ทำมาทุกอย่างเพราะนั้นอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายตลอดถึงญาติโยมด้วยพยายามอดนอนหนึ่ในคืนนี้พยายามไม่ใช่อดนอนเฉยๆนะถ้าอดนอนเฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์ก่อนที่อดนอนเราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกจะไม่คิดปุงฟุ้งไปออกไปข้างนอกจะพยายามเอาสติให้มีสติอยู่กับตัวเอง การเคลื่อนไหวของร่างกายทุกส่วนเราจะมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับบริกรรมพุทธโธเราจะให้อยู่กับพุทธโธตลอดคืนยังรุ่งในคืนนี้ถ้าพวกเราทำได้อย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติบูบชาปฏิบัติบูชาพระพุทธทเจ้าคือวันสาคัญวันประสูตร ตัดรู้ปรินิพานพวกเราปฏิบัติบูบชาทำจิตให้สงบพยายามทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งทำจิตให้อยู่กับตัวเองเพราะนั้นพวกเราทุกๆคนนะถ้าทำได้อย่างนี้หลวงพ่อว่าดีที่สุดถูกต้องตามพุทธประสงค์ของพระพุทธเจา้าส่วนจะเป็นยังไง จะสงบหรือไม่สงบอย่างไรเราไม่ต้องคาดคิดแต่เราพยายามสร้างเหตุให้เพียงพอพยายามทําเหตุให้เพียงพอผลจะเป็นอย่างไรเราไม่ต้องคาดคิดถ้าหากว่าเหตุดีแล้วผลมันก็ต้องดีถ้าเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีถ้าเหตุของเราทําให้สม่ําเสมอพยายามทําจิตให้สงบไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกแล้วมันจะเป็นยังไง ผลออกมาก็ต้องจิตใจก็ต้องสงบร่มเย็นแน่นอนเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายในคืนนี้ก็พยายามทำความภาคความเพียรพยายามทำจิตให้สงบให้ได้อันนี้คือเป็นการปฏิบัติบูชาในวันสำคัญอย่างวันนี้แล้วก็เรื่อง ก, การภาวนา การทำจิตให้สงบการชำระจิตใจเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้อื่นผู้ใดผู้อื่นเขาทำเหมือนกับเขาเาทานอาหารเขาก็อิ่มท้องของเขาถ้าเราทานเราก็อิ่มท้องของเราการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันการสร้างบุญสร้างกุศลก็เช่นเดียวกันการกระทํา รักษาศีลภาวนาเป็นบุญของเขาถ้าหาว่าเราทาก็เป็นบุญกุศลของเราถ้าหากว่าไปเมืองผีตายไปแล้วบุญกุศลเป็นของใครของเราแน่นอนจุดนั้นเพราะว่าอาหารของเทวดาเป็นอาหารทิพย์เวลาเราจะทานเรานึกขึ้นมานึกทานอาหารแล้วก็อิ่มเพราะนั้นเราจะไปนึกให้คนอื่นอิ่ม เราจะไปนึกได้ยังไงเพราะเขาไม่นึกนึกขึ้นมาถ้าเขาไม่ได้ไม่มีพลนทานเขาก็ไม่ได้เพราะนั้นบุญกุศลเป็นของส่วนตัวที่สุดในเมื่อไปสู่พระโลกภายภาคหนานแต่ในเมืองมนุษย์นี้แบ่งปินแบ่งสันปันส่วนกินกันได้คนนั้นทุกคนนี่ยากคนลำบากคนมีมากมีน้อยแบ่งกันกินได้แต่ถ้าว่าเป็นเทพพญดา อาลักไปแล้วนะ่ะของใครของเราเพรา น, นการสั่งสมบุญเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านจะต้องสั่งสมเข้าสู่จิตใจของพวกเราด้วยตนเองเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าให้พลาดพลัง้งอย่าให้เสียโอกาส ควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตสู่ใจหลวงพ่อย้ำแล้วย้ำอีกว่าตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์มาแล้วท่านไปบําเพ็ญถึงหกปีเนะี่ยท่านไปพิสูจน์อะไรท่านไปทำอะไรนี่แนลท่านไปพิสูจน์เรื่องตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ มีกี่ระดับมีพรมมะโลกมีเทวดามีมนุษย์มีนรกมีเปรตมีสัตว์ที่ไรฉันสัตว์ที่ไรฉันพวกเราเห็นมนุษย์กับสัตว์ที่ไรฉันเกิดมาในพื้นแผ่นดินอันเดียวกันเราเห็นได้ว่าสัตว์ที่ไรฉันคืออะไรช้างมา้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่สัตว์นาชนิดเรารู้ได้เพราะอยู่ในระดับเดียวกันแต่ว่าการเป็นอยู่ของสัตว์ที่ไรฉันกับมนุษย์ มันคนละเรื่องกันถึงจะเป็นสัตติรชานแต่ว่าการเป็นอยู่นั้นต่างกันเป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันถึงเป็นมนุษย์อย่างเดียวกันการเป็นอยู่ก็ยังแตกต่างกันไม่ต้องพูดถึงสัตติรชาาิจากนั้นมาพบภูมิอีกขึ้นไปอีกเทวดาภู ม, มะลุกขะออากาจธาเทวดาเทวดาชันจารุมยามา ดุสิตาตะวเดงเนมาราตีสวรรคหกชั้นเป็นยังไงจากนั้นก็พรมจากนั้นก็เป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาพระสกทาคาพระนาคาพระอระหรันแปลว่าพระอระหรันแปลว่าสุดท้ายจิตใจหลุดพ้นจากกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะจิตใจบริสุทธิ์แปลว่าเป็นพระอระหรัน ถ้าเป็นพระสักนาคามีจิตใจยังมีโมหะติดอยู่ราคะกับโทสะนี่ตัดได้เด็ดขาดยังเหลือแต่โมหะยังติดใจของพระอนาคามีอยู่แต่พระโสดาบันพระสักทาคามียังมีราคะโทสะโมหะแต่ก็เบาบางไม่สามารถที่จะทำความชั่วทางกายวาจาใจได้ นอกจากนั้นนอกจากพระโสดาบันลงมาแล้วเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนพร้อมที่จะไปเกิดในภพภูมิต่างๆพร้อมที่จะทำความดีความชั่วคือยังไม่สแตนด์ดัตพูดง่ายๆมันยังไม่เสมอมันยังมีขึ้นมีลงอยู่ถ้าเป็นพระโสดาบันเป็นอริยะบุคคลแล้วแปลว่าเกาะติดบันไดขั้นแรกจากนั้นก็ บ, บันขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่ส ก็แปลว่าหลุดพ้นจากกิเลสแต่นอกเหนือจากพระโสดาบันลงมาแล้วเป็นปุตุชนพร้อมที่จะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดสูงสูงต่ำาๆลุ่มๆุมอนรอนพร้อมที่จะขึ้นเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพร้อมที่จะลงอเวจีมหานารกได้เพราะนั้นพวกเราท่านทางหลายทุกคนนะให้ทั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ สั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจพวกเราได้เกิดมาพบนิชาตินี้แต่พบพระพุทธศาสนานะเกิดมาบางพบบางชาติอาจจะไม่ได้พบบางทีเราอาจจะเกิดในถิ่นสถานใดอาจจะไม่ได้พบแต่คราวนี้เราได้พบจากนั้นเราก็ได้ศึกษาประธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจา้าเอามาไตรตรองเอามาศึกษาก็เกิดความเคารพเลื่อมใสศรัทธา แล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติก็เห็นผลในระดับหนึ่งคือพหาว่าผู้ใดก็ตามอยู่ในกรอบของศีลธรรมจิตใจของเราก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่ากลุ่มใดประเทศใดชาติใดมีศีลธรรมยึดแนวแถวพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติคนกลุ่มนั้น พวกนั้นคณะนั้นก็จะมีความร่มเย็นเป็นจุกเพราะมีธรรมในใจเพราะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่นำมาประพฤติปฏิบัติแล้วมีขั้นมีตอนระดับหนึ่งหนึ่งสามสี่จนถึงหลุดพ้นจากกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดแนะปลว่าอันนั้นคือระดับสูงสุดแต่พวกเราก็พยายามไต่เต้าขึ้นไปถึงจุดนั้นแหละ ตั้งแต่ทานศีลภาวนาทำตนให้เป็นคนดีมีศีลจากนั้นก็พยายามทำคุณงามความดีขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงชำระกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารนี้อีกเป็นอนันตการในวันนี้หลวงพ่อได้พูดให้พวกเราเป็นแนวความคิดสรุปแล้วก็คือวันนี้เป็นวันสำคัญ วันสำคัญนั้นพวกเราจะทําตัวอย่างไรหลวงพ่อแนะนําให้ปฏิบัติบูชาคือคืนนี้พยายามนั่งภาวนาเดินโยงกลมเอาอาริยาบทสามคือยืนเดินนั่งปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นวันสําคัญจากนั้นหลวงพ่อก็ได้แนะนําว่าบอกกล่าวว่าคนเราทุกคนตายแล้วเกิดอีก ตายแล้วไม่ศูนย์บาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงเพราะนั้นอย่าทำความชั่วเพราะความชั่วนั้นจะพาให้พวกเราตกในไป็นที่ต่าอาจจะตกนรกเป็นสัตว์ทเลชนไปได้ถ้าทำกรรมชั่วเพราะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าชาติหน้ามีจริงตายแล้วเกิดอีกเราก็ควรจะสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจ ให้มากถ้าว่าดีกว่านั้นเด่นกว่านั้นเขาพยายามชำระใจของตนเองให้หมดจดจากกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกนั่นแหละเป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปคิดพิจารณาและกับปรับปรุงแก้ไขและกัปฏิบัติตามที่ว่าเห็นว่าเหมาะสมกับการสถานที่ของตนเอง ตอนนี้ไปก็นั่งสมาธิไรัตนีนะนั่งสมาธิอันนี้พวกเราปฏิบัติบูชานะนั่งคัดสมาธิเนี่ยนั่งภาวานาเนี่ยแหละนี่แหละคือปฏิบัติบูชาอันดับแรกพวกนั่งคัดสมาธิมองดูพระประธานพระประธานนั่งอย่างไรเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วประนมือขึ้นระหว่างอก นึกพุโทโธธัมโมสังโฆพุโทโธธัมโมสังโฆพุโทโธธัมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงในเมื่อเอามือลงแล้วกําหนดลมหายใจเข้าให้ดูลมหายใจตัวเองอย่าไปแต่งลมให้เห็นลมตามธรรมชาติที่สุดลมหายใจเข้าออกอย่างไรก็ให้ดูตามที่มันเข้าหรือมันออกเท่านั้นเอง เหมือนเราไปยืนอยู่ข้างประตูอย่างนั้นน่ะคนเข้าคนออกเราก็รู้ว่าคนเข้าเราก็รู้คนคนออกไม่ต้องตามไปไม่ต้องตามคนเข้ามาไม่ต้องตามคนลงไปบันไดเรายืนอยู่ข้างประตูอันนี้ก็เหมือนกันกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกหายใจเข้าเราบริกรรมว่าพุทธหายใจออกว่าโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทโท ไม่ให้ส่งจิตออกไปข้างนอกนะอันนี้แหละคือพิธีการปฏิบัติบูชานะตอนนี้ไปหลวพ่อจะหยุดพูดวนะที่นีนะเอากำหนดลมหายใจเข้าออกนาะตินีพุทโธพุทโธพุทโธนที่นีนะ